ก็เหลือน้อยลงน ะ, ะเป็นธรรมดาจากทอดกรถินเสร็จแล้วพระหลายรูปก็แยกย้ายกันไปที่สซงหา้ลาเพยก็ไม่น้อยที่ไปทุดงไปจาริกหรือว่าไปทํากิจธุระชั่วครั้งชั่วคราวก็มีอยู่ออกปรรษาจริงๆก็คือตอนที่ทอดกรถินเสร็จแล้วนะถ้ายังทอดกรถินยังไม่ได้ทอดกรถินนะถึงแม้ออกปภรษาไปก็ยังไม่เรียกว่าออกราษาที่แท้จริงนะออกราษาแท้จริงนะ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 แต่เราเรียกง่ายๆว่าวัดแขกนะแต่ไม่ได้มีพระนะนะก็มีแต่พราหมณ์ทำพิธีไม่ไกลนะ200รเมตรก็เป็ น, ปนมั ส, สยิดนะถนนเดียวกันเนี่ยไม่ยาวเท่าไหร่นะก็มีทั้งศาลเจ้ามีทั้งวัดแขกมีทั้งมั ส, สยิดแล้วก็ยังมีโบสถ์คริสต์ด้วยอยู่ใกล้กันมากทีเดียวนะแต่ว่าคนก็ถืงไม่จะต่างเชื้อชาติต่างภาษาต่างาศาสนาก็อยู่ร่วมกันได้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 เป็นศูนย์กลางของการค้าขายเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันเป็นก่อที่อยู่ตรงช่องแคบนะใกล้ๆกับช่องแคบมรลกาการคมนาคมสมัยก่อนการพันธุ์สมัยก่อนก็ต้องใช้เรือเรือจากยุโรปเนี่ยหรือจากอินเดียนี่จะมาจะไปจีนเนี่ยก็ต้องผ่านช่องแคบมรลากาปีนังเนี่ยซึ่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยใกล้ๆเนี่ยมันก็เลยเป็นมีความสําคัญนะ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 มนทนภูเก็ตเนี่ยนะเทสาพิบาลเนี่ยข้าหลวงซึ่งเป็นดูแลภูเก็ตเนี่ยก็คือเจ้าพยาอัพยารัสดานุปปดิดเนี่ยอยากจะพัฒนาภูเก็ตก็ต้องไปไปเรียนแบบนะเอาแบบอย่างปีนังเนี่ยมาม า, มาพัฒนาภูเก็ตรวมทั้งการทําเหมืองแร่นะการปลูกยางนะปลูกยางเนี่ยนะมันก็เริ่มต้นที่ตรังนะแล้วต่อหลังก็ขยายไปภูเก็ต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 พวกตระ ก, กูลต่างๆนะคนจีนที่เคยมีความมั่งคั่งนะตระ ก, กูลนั้นตระ ก, กูลเนีเช่นตระ ก, กูลคูลเนี่ยไปดูไปดูสารเจ้าสารบรรพบุรุษของตระ ก, กูลคูโอ้เมื่อร้อยปีก่อนนี่มันยิ่งใหญ่มากนะเขาทำได้สลักสลาวสวยงามมากทำเป็นย่านที่มีอาคารต่างๆมากมายนะเพราะว่าคนจีนสมัยก่อนก็อยู่กันเป็นตระ ก, กูลนะแต่ว่าตอนหลังก็ซบเซา อาคารบ้านรือนก็ถูกปล่อยให้รกร้างนะเพิ่งมาบุรณะกันเมื่อสิบยี่สิบปีนี้เองแต่เขาบูรณะได้ดีมากคือในแง่หนึ่งก็เห็นนะเห็นในความร่วงโรยนะของยุคสมัยนะเมืองหรือว่าก่อที่เคยร่ำรวยนะมั่งคั่งเนี่ยตอนหลังก็กลายเป็นถูกปล่อยนะให้ให้ร่วงโรยไปภูเก็ตก็จเจริญมาแทนที่นะ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 เอามาก่อใหม่เพื่อให้รู้ว่าที่นี่เนี่ยเคยเป็นเคยเป็นกำแพงเมืองที่ปักกิ่งเนี่ยที่เคยทำลายกำแพงนะรอบกรุงปักกิ่งในบางทิศเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นต้องการพัฒนาแตนะ่ตอนที่ผู้คนก็เสียดายแล้วว่าโไม่น่าทำลายเลยนะเพราะว่าถ้ารักษาเอาไวาน้นี่มันจะมันจะทำให้อดีตนะอันยิ่งใหญ่นะของของปักกิ่งเนี่ยมันเห็นเด่นชัดมากขึ้น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 ขายตัวเนี่ยสิบยี่สิบปีได้นะตอนหลังก็ไปขายตัวที่ประเทศญี่ปุ่นบ้างที่ฮ่องกงบ้างสิงคโปร์บ้างบางครั้งก็ถูกจับนะถูกส่งกลับมาเมืองไทยก็ไม่เข็ดตอนหลังก็ไปนะขายตัวจนถึงเนี่ยตันออกกลางถูกจับนะส่งกลับมาเมืองไทยแลติดคุกในเมืองไทยด้วยก็เรียกว่ายี่สิบยี่สิกว่าปีเนี่ยจนอายุสี่สิบเนี่ย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 ผมแค่มองไม่ออกมองไม่เห็นแล้วก็เล่าว่าไปอินเดียไปไปอังกฤษเขานั้มีแต่ได้กับได้นะได้บ้านได้รถนะได้พัฒนาร่างกายได้ภาษาได้รู้จักคนมากมายได้เห็นมุมมองใหม่ๆนะได้เดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ได้รู้จักสัมผัสกับลีกฟุตบอลที่มีสีสารที่สุดในโลกเสียงเดี๋ยวคือไม่ได้เล่นนะคือพอเปลี่ยนมุมมองนะกับรู้สึกซาบซึ้งนะ